ดีๆชี้ทางบรรเทาทุกข์บรรลุซึ้งซึ่งปัญญาในสันนีสนทนาสวัสดีค่ะท่านฟั ง, ฟงที่เคารพค่ะสวัสดีค่ะดิฉันสิริวัลนพรัตน์ค่ะค่ะดิฉันสรนนีนะคะแล้วก็ต้องใส่น้ำสกุลด้วยนาทพงรายการสันนีสนทนาที่บางคนเิ่นถามแล้วว่าแม่ชีสันนีมาใช่แต่ยังใหไมแม่ชีเสียงเปลี่ยนไปเยอะนะคะส่ <laughs> ว น, น <laughs> แรกๆมาบังเอิญ ตอนนั้นตัดผมสั้นมากกว่านี้คุณปลื้มติดใจมากเลยหลังจากที่พูดออกอากาศที่ครอบครัวข่าวไปแล้วคุณปลื้มไปพูดออกในรายการอื่นอีกแล้วมีคนมาบอกดิฉันว่าคุณปลื้มเขาบอกว่าวันนี้เจอคุณสันสนีไม่รู้เพิ่งกลับจากบวชมาหรือเปล่าเห็นไปจัดรายการธรรมะผมสั้นแหมก็ต้องเลยบอกว่ายังนะคะดิฉันจริงๆเป็นเทรนดใหม่ล่าสุดนะคะไปวัดแต่ไม่ได้บวชแล้วก็เข้ากับยุคประหยัดคือมันตัดผมสั้นมันก็ยาวช้าก็หาช่างบ่อยเอ้ไม่ต้องบ่อยแล้วก็สบายดี ะะเพราะเขาบอกว่าจริงๆเขามีหลักอย่างหนึ่งเคยคุยกับน้องคนหนึ่งเขาบอกว่ามันมีหลักจิตวิทยาแล้วก็หลักเรื่องกายภาพด้วยว่าคนที่ตัดผมสั้นเนี่ยน่าจะดูอ่อนเยาว์โอเคค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่านั่งพูดเล่าตัวเองเพราะฉะนั้นเรามีเรื่องที่น่านสนใจมาด้วยเ ร, เรื่องตัวคุณปุ้มที่ดิฉันอยากจะถามคุณศิริวัลเธอชื่อเล่นชื่อคุณปุ้มค่ะชื่อปุ้มกับชื่อศิริวัลนพรัตนี่ยค่ะเป็นชื่อที่ ดังเดิมออริจินอลค่ะอ๋อค่ะเพราะบางคนเข้ามาในวงการจะมีการเปลี่ยนชื่อนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะคือไม่ต้องเข้าวงการก็เปลี่ยนนะคะ อดีตฉันเอก็ต้องยืนยันว่านี่ก็ชื่อแรกตั้งแต่เกิดมาคุณพ่อตั้งให้แล้วก็ใช้มาจนถึงบัตรนี้และเรา2คนคงจะเหมือนกันที่ว่านามสกุลก็ยึดมั่นมากอันนี้เป็นการยืนยันว่าเป็นคนมั่นคงใช่ค่ะทีนี้เรื่องที่จะหยิบยกมาคุยก่อนจะเข้าสู่ช่วงเวลาของการถามคำถามทางโลกเพื่อให้ตอบด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าช่วงของเราชื่อ ช่วงนี้เหรอคะจริงๆอยากให้คุณครูฟังได้ช่วยตั้งชื่ออยู่ยังไงใครคิดออกช่วงนี้ส่งเข้ามานะคะ <c oughs> แต่คอนเซปต์ช่วงนี้เราอยากคุยสบายๆแล้วก็ทำอย่างไรให้เรามีจิตใจที่สบายแล้วก็มีความคิดที่ปลอดโปรง่งสามารถที่จะเจอเรื่องราวต่างๆได้ทั้งวันใช่ค่ะทีนี้พอพูดถึงเรื่องเปลี่ยนชื่อจริงๆดิฉันก็เคารพในขั้นการตัดสินใจ <c oughs> ของแต่ละคนค่ะที่มีสิทธิ์ในตัวเองว่าจะทำอะไระนนก็ได้สิทธิ์ส่วนบุคคลก็ทํากันไปค่ะ เหตุผลในการเปลี่ยนชื่อมีหลายแบบคุณปุ้มได้ยินมาว่าเพราะอะไรอ๋อมีเพื่อนหลายคนค่ะไม่ต้องใครเพื่อนอื่นไกลในพวกฝ่ายข่าวช่องสามเนี่ยโทรมาก็ถามบอกขอพชอูชื่อนี้ชื่อนี้ไม่มีค่ะก็ต้องบอกตําแหน่งเขาบอกตําแหน่งเขาบอกอ๋อเปลี่ยนชื่อแล้วค่ ะ, ะสามสี่คนแล้วพอซักถามเพื่อนฝูงว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมเปลี่ยนชื่อตอนอายุเลยเลขสาไปแล้วค่ะเขาบอกว่ามีการ ทำนายทายทักว่าถ้าเปลี่ยนแล้วจะดีจะมีหน้าที่การงานที่ดีจะเจอแต่สุขภาพที่ดีแล้วบา ง, างคนเขาเปลี่ยนแล้วเขาก็ดีจริงๆนะคือหมายถึงว่าอาจจะทําให้เขาสบายใจและมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้ น, นหรือยังไงก็ไม่ราบอย่างแวดวงคนที่ใกล้ๆตัวพี่จิ๋วมีคนเปลี่ยนชื่ อ, อยมหมมีค่ ะ, คะแม้แต่กระทั่งตัวเองเนี่ยยังเคยมีคนบอกให้เปลี่ยนชื่อเลยนะคะ เพียง แ, แต่ว่าเป็นคนรักคุณพ่อมากแล้วก็ชื่อนี้เนี่ยมันมีที่มาว่าคุณพ่อตั้งให้ค่ะตั้งให้โดยความเห็นชอบของคุณแม่ที่เข้าใจผิดว่านางเอกจำเลยรักในชื่อสรรสนี ชื่อสุรยาก็เลยก็เลยได้ชื่อนี่จริงๆไหมคะค่ะคุณแมาไปดูหนังแล้วเมื่อก่อนมันไม่ใช่เป็นทีวีที่เป็นตอนดูครั้งเดียวก็สับสนอันนี้ขอนิดนึงจริงๆชื่อปุ้มนี่ก็มีที่มาเหมือนกันค่ะชื่อปุ้มเนี่ยเป็นชื่อเล่นของนางเอกละครเรื่องหนึ่งจําได้คุณแม่เคยบอกมบนกายเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งชื่อจริงชื่อเล่นก็คือไม่คิดจะเปลี่ยนเหมือนกันค่ะแล้วก็คิดถึงคุณพ่อแล้วก็เคยไปคุยกับพระเจ้าบอกเอ๊ะทําไมมีคนมาบอกให้เปลี่ยนชื่อทั้งก็เลบอกเชื่อใครตั้งให้บอกคุณพ่่อคะ ท่านก็เลยบอกว่าพ่อแม่เราเนี่ยเป็นสิริมงคลสูงสุดแล้ดีที่สุดแล้วนะคะแต่ดิฉันก็เคารพนะคะในการที่ใครจะไปเปลี่ยนชื่อนั้นสิทธิของท่านเพียงแต่ว่าเรื่องที่จะชวนคุณปุ้มคุยวันนี้เนี่ยพอดีไปเห็นว่าดาวยังเปลี่ยนชื่อเลยดาวไหนคะดาวไม่พ่อนดาวที่อยู่ห่างไกลจากดวงอาทิตย์มากที่สุดดาวเคราะที่อยู่ห่างไกลจากดวงอาทิตย์มากที่สุดดาวพลูโตเปลี่ยนจริงๆเหรอคะค่ะตอนนี้เป็นคุณพลูโตอยเป็นเรียบร้อยแล้วอุ้ยแล้ว <G ül> เกิดอะไรขึ้นคะมีหมอดูที่ไหนไปทําไม่ใช่คจริงก<ท>็เปลน<ะ>มานานแล้วนะคะเป็นเดือนแล้วละ่ะเพียงแต่ว่าเดี๋ยวฉันก็ลืมหยิบยกมาคุยกันอมันไม่ใช่เรื่องหมอดูอันนี้เป็นเรื่องของนักดาราศาสตร์ค่ะเขาก็บอกว่าถูกลดชั้นนะคะเพราะว่าโถโถดาวยังถูกลดชั้นเลยนะคะเดี๋ยวนี้ <c oughs> ใช่คะ่ะคือเขาบอกว่ามันเป็นการเรียกลักษณะดาวด้วยนะคะปลูโตที่ดวงดาวที่คล้ายๆกับดาวปิวโตค่ะก็จะถูกเรียกว่าพลูตโตด้วยเหมือนกัน พูกที่จะถูกเรียกอย่างนี้จะต้องมีลักษณะเป็นวัตถุทรงกลมๆแล้วก็ต้องเป็นวัตถุเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่อยู่ในวงโคจรซึ่งดิฉันคิดว่ารายละเอียดเนี่ยเราอย่าไปพูดเดี๋ยวไม่ใช่นักดาราศาสตร์เราไม่ใช่นักดาราศาสตร์วเพราะเราก็สนใจว่าเอออย่าไปคิดเลยมากเนี่ยเข้าหลักธรรมะเลยว่าไตรลักษ์ค่ะอันนี้จังทุกขัง อนัตตาคือมันไม่เทียเท่ยงนะคะมันก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อนักวิทยาศาสตร์เขาเห็นว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงไปมันก็จึงถูก<อ>ลบชั้นหลักเหตุผลนะคะเนี่ยใช่ค่ะเป็นหลักเหตุผลว่าอย่าไปคิดอะไรมาก <คะ S 2> แล้วก็เดี๋ยวนี้เขาบอกว่าจากผลของการที่พบว่า ดาวเนี่ยมันเล็กลงยังไงดิฉันไม่ทราบนะคะมีส่วนค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเหมือนกับว่าถ้าเราเรียนสายวิทย์ก็จะทราบอยู่แล้วว่าเวลามันที่มันโคจรมันเหวี่ยงตัวเนี่ยสเก็ตหรืออะไรก็ตามเลยค่ะมันจะเกิดแรงเสียดทานกับอากาศกับชั้นบรรยากาศค่ะเขาก็เลยบอกว่าถูกถอดออกจากฐานภาพของดาวเคราะห์กลายมามเป็นาดาวเคราะห์ไม่เคราะห์ธรรมดาเคราะห์แคะเนี่ยไม่ได้มีแต่คนแคะนะดาวก็อย่างแคะเลย และที่สําคัญกว่า น, นั้นคือฟังแล้วอาจจะเป็นมุมมองที่แบบให้หลายหลายคนนี่สบายใจนะคะว่าขนาดดาวอยู่บนฟ้าก็ยังลดชั้นได้เลยเพราะฉะนั้นคนเดินดินธรรมดาขึ้นบ้างลงบ้างก็ต้องแบบว่าทําใจให้ได้แล้วก็ทําใจสบายสบายค่ะหลักไตรลักษณ์นะคะอันนี้จางทุกขังอนัตตาแต่พูดถึงเรื่องของคนเปลี่ยนชื่อเนี่ยไอ้ที่เปลี่ยนด้วยเจตนาไม่ดีนี่ก็มีเหมือนกันนะคะทำไมล่ะคะก็คนที่ชอบทําเรื่องเดือดร้อนให้กับคนอื่น<อ>แล้วก็กลัวทุกโทษจะมาถึงตัวเองเปลี่ยนนี่นีใช่ค่ะคนพวกนี้ก็เปลี่ยนชื่อบ่อย ยังกับคุณแม่ดิฉันเองก็มีคู่กรณีอ๋อซึ่ใกล้ตัวมาวันนี้ตามตัวไม่ได้เลยเพราะว่าแกเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนเราก็เลยคิดว่าเราก็ต้องเข้าใจหลักธรรมะว่าสันโลกย่อมเป็นไปตามกรรม <c oughs> คือเขามีแรงเปลี่ยนก็เปลี่ยน <c oughs> ไปนะคะแต่ใ<อ><ต>นนี้ในแง่กฎหมายล่ะคะเมื่อเขาเปลี่ยนชื่ออันนั้นเหมือนกับคนหนีคดีไงคะอ <c oughs> นะคะมันก็ทําให้ตามจับตามหาตัวเขายาก อย่างเงี้ยค่ะแต่ที่เปลี่ยนเพราะมีเหตุผลที่ดีเปลี่ยนแล้วตัวเองสบายอกสบายใจก็มีอันนี้เป็นสิ่งที่เราก็คิดว่าเป็นเรื่องของใครก็ของคนนั้นแล้วเราก็ในสิทธิส่วนตัวเพียงแต่ว่าวันนี้หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเล่าก็เพื่อที่จะบอกว่าขนาดดวงดาวน่ะ ว <ะ S 1> ัตถุ ฟ, ฟ่าฟ้าที่เราถือว่าใหญ่และก็มีความหมายขนาดนั้นก็ยังไม่ไวายนะคะที่จะเปลี่ยนแปลงได้เพราะว่าเข้าหลักไตรลักษณ์เช่นเดียวกันไม่เที่ยงเหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเที่ยงแต่เบรกสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงถามโลกตอบธรรมสรรหาเรื่องราวดีๆชี้ทางบรรเทาทุกข์บรรลุซึ้งซึ่งปัญญาในสรนณนีสนทนา